บุกทูยี่สิบแปดอสนวสในโรงแรมการร้องเรียนวอคเทลูปริโทสเบฝักบัวใช้งานไม่ได้เพอร์ค้านาเดลูเยไม่มีน้ำอุน่น Nete ท่อปลอคุณมาซ่อมมันได้ไหมครับอบซดลทรพอปในห้องไม่มีโทรศัพท์ว so าบ ni ทรในห้องไม่มีโทรทัศน์ว s o าบ ni ทวซอรย ห้องไม่มีระเบียงซอบานีมาบัลโคนห้องนี้เสียงดังเกินไปซอบาเย p r เครรุ n นห้องนี้เล็กเกินไปซอบาเยพรไมชนาห้องนี้มืดเกินไปซอบาเยพรเทมนา เครื่องทำความร้อนไม่ทำงานเกรติอาเนเดลุยเครื่องปรับอากาศไม่ทำงานคลิมัตสการนัปราวาเนเดลุยโทรทัศน์ไม่ทำงานเทเลวิซอร์เอป็อกวารนผมไม่ชอบเลย มันแพงเกินไปโทยซาเม่คุณมีอะไรที่ถูกกว่านี้ไหมครับอิมาเตคายเซเที่พักเยาวชนใกล้ที่นี่มีไหมครับยตูวบลิจิน มีเบรดและเบคฟาสใกล้ที่นี่ไหมครับยูตบออนมีร้านอาหารใกล้ที่นี่ไหมครับยูตบลิจินีคัคชว